พระวินัยปิฎกบรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่1ถึง8มีเนื้อหาสาระโดยย่อดังนี้ 1. มหาวิพังว่าด้วยสิกขาบทหรือศีลของพระภิกษุ227้อข้อคือ ร, ราชิกสีสังฆาทิเศสส3อนิยตะสองนิสักคยะปาจิตตี30ปาจิตตี9กสอง ปาติเทสนิยะสเสขิยวัเจ็ดหอธิการณสมถะเจ็ดเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิกขาบทในปาติโมกหรือภิกขุปาติโมก 2. อภิกขุนีวิพังว่าด้วยสิกขาบทของนางภิกษุณีหรือภิกขุนีปาติโมก3ามรสิอสิกขาบท 3. มหาวัค เล่าเรื่องตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สเสด็จออกไปประกาศพระาศาสนาการประทานอุปสมบทแก่ผู้มาขอบวชพูดถึงการอุปสมบทอุโบสถการจำพรรษาเครื่องหนังเอสัตรกระถินจีวรนิฆากรรมการออกจากอาบัติการระงับอธิกรณ์การทะเลาะวิวาทและสามัคคีสี่ 4. จุลวัตว่าด้วยการบัญญัติปลีกย่อยเรื่องเสนาส น, นะสังคเพศวัดปฏิบัติต่างๆการงดสวดปาฏิโมกข์เรื่องกำเนิดและพัฒนาการของภิกษุณีสงฆ์ลงท้ายด้วยประวัติการทำสังฆนาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง 5. บาริวาลประมวลเรื่องเบตเตลเล็ดเกี่ยวกับสิกขาบท ของภิกษุและภิกษุณีเป็นคู่มือศึกษาพระวินัยนำเสนอโดยแต่งเป็นคำถามคำตอบเพื่อให้เข้าใจจำแจ้งพระวินัยปิดกมีการแบ่งอีกอย่างหนึ่งคืออาธิกรมมิกะปาจิตตีมหาวัคจุลวั์และปริวานย่อเพื่อจำง่ายว่าอาปามะจุปะดังนี้ อาธิกรรมมิกะว่าด้วยสิกขาบทเกี่ยวกับอาบัตหนักคือปาราชิกสังคาทิเศตและอนิยตะปาจิตตีว่าด้วยสิกขาบทเกี่ยวกับอาบัตเบาตั้งแต่นิสักขิยปาจิตตีจนถึงเศขิยะรวมตลอดถึงภิกุณีวิพังทั้งหมดมหาวรกว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกสิบคันท ก, กะหรือสิบตอนจุลวัก ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกอีกสิบสองตอนสุดท้ายปาริวานว่าด้วยเรื่องปลีกย่อยหรือคู่มือศึกษาพระวินัยบรรจุคำถามคำตอบสำหรับซักซ้อมความรู้ความเข้าใจพระวินัยข้อสังเกตบางประการและจุดที่ควรเน้นหนึ่ง สถาบันสงเกิดและพัฒนาขึ้นเพราะกระแสะสังคมผลักดันพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดรูปแบบตายตัวเพียงวางไว้หลุมๆว่าผู้บวชต้องประพฤติตรงมจรรย์ประพฤติอย่างไรบ้างไม่มีรายละเอียดผู้มาบวชระยะแรกเป็นผู้เบื่อโลกแล้วจึงไม่ต้องมีสิกขาบทหรือศีลว่าจะต้องทำอะไรไม่ทำอะไรเพราะทำถูกต้องโดยอัตโนมัติแล้ว พิธีบวชทำง่ายๆเพียงตรัสว่าเยหิพิกุจงเป็นภิกษุมาเถิดก็เสร็จพิธีคุณสมบัติผู้บวชก็ไม่ได้กำหนดแน่ชัดต่อเมื่อมีผู้อายุน้อยอย่างพระโอรสคือพระราหุลมาบวชจึงกำหนดอายุและวางคุณสมบัติอื่นๆด้วยสิกขาบทไม่ได้ตรัสขึ้นสำเร็จรูปเหมือนกฎหมาย หากตราขึ้นหลังมีการทำผิดแล้วมีขั้นตอนดังนี้หนึ่งมีผู้ประพฤติไม่สมควรแก่สมณนะชาวบ้านตำหนิติเตียน 2. เรื่องรู้ถึงพระพุทธองค์ทรงเรียกมาสอบสวนท่ามกลางสงฆ์เมื่อยอมรับสารภาพทรงตำหนิและทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามทำเช่นนั้นอีกผู้ทำผิดคนแรกไม่เอาผิด เรียกว่าอาทิก ร, รมิกะแปลว่าต้นบัญญัติในวงเล็บเป็นที่อ้างอิงในทางชั่วขั้นตอนนี้เรียกบัญญัติ3เมื่อมีการล่วงละเมิดอีกเพราะมีช่องโหว่บางอย่างก็ส่งบัญญัติเพิ่มเติมเรียกว่าอนุบัญญัติ 4. หลังบัญญัติแล้วถ้ามีการทำผิด ทรงไม่สามารถตัดสินได้พระพุทธเจ้าทรงวินิจฉัยเป็นเรื่องๆให้เป็นแบบอย่างการตัดสินใจในการต่อมาเรียกว่าวินีตะวัตถุ 5. ศสิกขาบทวิพังและปะทะภาชนีให้คำนิยามและอธิบายความของศั์ยากตลอดถึงตั้งสมมุติฐานว่าถ้าทำอย่างนั้นๆจะผิดหรือไม่ 6. ข้อยกเว้นสิกขาบทแต่ละข้อมีข้อยกเว้นเช่นไม่มีเจตนาไม่ผิดวิกลจริตไม่ผิดเป็นต้นอาบัตและการต้องอาบัติ 1. ปาราชิกอาบัตหนักทำแล้วขาดจากความเป็นภิกษุทันที 2. สังฆาทิเศษ อาบัติหนักรองลงมาทำผิดแล้วต้องให้อยู่กรรม 3- ทุนลัดใจอาบัติหนักรองลงมาจากประราชิกและสังขารที่เศษเกิดขึ้นเมื่อตั้งใจจะละเมิอดอาบัติสองอย่างนั้นแล้วทำไม่สมบูรณ์เช่นตั้งใจจะฆ่าเขาแต่เขาไม่ตายต้องทุนลัดใจบางทีเรียกอนิยตตะแปลว่าไม่แน่แต่อนิยตะ ไม่ใช่ชื่ออาบัต 4. ปาจิตติอาบัตเบาทำผิดแล้วลงอาบัตตก 5. ปฏิเทสนิยะความผิดที่ต้องแสดงคืนคือต้องอาบัตเกี่ยวกับบุคคลใดให้แสดงกับบุคคล น, นั้น 6. ทุกกฎอาบัตเบา ส่วนมากเกี่ยวกับมารยาท ต, ต่างๆที่ไม่เหมาะสม 7. ทุพภาสิทธพูดไม่ดีอาบัตเบาเกิดจากความผิดพลาดในการพูดไม่เหมาะสมจุดประสงค์ของการบัญญัติสิกขาบทประโยชน์แก่พระสงฆ์โดยส่วนรวมเพื่อความดีงามของพระสงฆ์เพื่อความผาสุก ข, ของพระสงฆ์ ประโยชน์เฉพาะบุคคลเพื่อขจัดคนหน้าด้านเพื่อความผาสุก ข, ของผู้ทรงศีลประโยชน์คือความดีงามแห่งชีวิตเพื่อป้องกันความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อขจัดความเลวร้ายในอนาคตประโยชน์แก่พุทธศาสนิ ก, กชนเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส เพื่อให้ผู้เริ่มใส่แล้วเริ่มใส่ยิ่งขึ้นประโยชน์แก่พระศาสนาเพื่อความดารงมั่นแห่งพระศิสธรรมและเพื่ออนุเคราะห์พระวินัยคือสนับสนุนความมีระเบียบวินัยกําเนิดภิกษุณีสงฆ์นางประชาบดีโคตมีทูลขอบวช เบื้องแรกทรงปฏิเสธต่อมาทรงบวชให้ตามที่พระอานนท์กราบทูลขอโดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแปดข้ออย่างเคร่งครัดหรือที่เรียกว่าครุธรรมแปดข้อหน้าพิจารณาคือเหตุผลที่ทรงปฏิเสธในเบื้องต้นและคำถามที่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาไม่สนับสนุนหรอที่ไม่อนุญาตให้สตรีบวชจริงหรือไม่ เป็นเรื่องพึงพิจารณาอย่างรอบครอบรอบด้านก่อนจะสรุปอะไรง่ายๆได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการปกครองสงฆ์และการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้า 1. คนหมู่มากต้องมีวินัยวินัยจึงบัญญัติสำหรับปกครองคนหมู่มากให้เรียบร้อย 2. การบัญญัติวินัยส่งดูกฎหมายทางโลกด้วยส่งปรึกษานักกฎหมายและส่งให้มีประชาพิจารณ์ด้วย 3. ทรส่งให้แก้ไขลดย่อนและเพิ่มความเข้มงวดเพื่อความเหมาะสม 4. ีํคำหนึ่งถึงปันญติวัชชะและโลกะวัชชะเพื่อความสมบูรณ์ของข้อปฏิบัติ สำหรับคำว่าปัญติวัชชะหรือปัญติกวัชชะคือโทษทางพระวินัยตำหนิส่วนโลกะวัชชะคือโลกติเตียนข้อสังเกตบางประการและจุดที่ควรเน้นสองข้อสุดท้ายคือในวินัยปิดกมีพุทธประวัติตอนตรัสรู้จนถึงประกาศพระศาสนาอย่างละเอียดและมีการสังคยานาสองครั้ง การบันทึกสังคยนาไว้เพียงสองครั้งทำให้สันนิษฐานว่าระยะเวลาที่พระธรรมวินัยได้แตกออกเป็นปิฎกสามปิฎกมีขึ้นก่อนสังคยาครั้งที่สาและถ้ามีภายหลังสังคยาครั้งที่สาคงถูกบันทึกไว้ด้วยประมาณเวลาคร่าวๆของกำเนิดพระรายปิฎกคือระหว่างพุทธศตวรรษที่สอถึงสาม